การฟังธรรมะขอทุกคนจงตั้งใจของตนไว้ด้วยดีอย่าไปคิดแส่สายไปเรื่องนอกตลอดถึงเรื่องทันเทศอย่าไปคิดปรุงว่าทันเทศแบบไหนเป็นหน้าที่ของท่านอูทแสดงจ ะ, สะแสดงไปคือการฟังธรรมะ เป็นการภาวานาการอุรมตัวเองไปในตัวเหมือเราตั้งใจดีอย่างนั้นธรรมะที่สังแสแดงไฟมันจะไปสัมผัสกับใจทาให้ใจของเราสงบทาให้ใจของเราเยือกเย็นได้เพราะธรรมะเป็นเสือส่อสชาระเรื่องของใจเหมือนน้าที่สะอาดสามารถที่จะซ้าล้างจึ่งที่กกระปกให้ สะอาดได้การทางธรรมะถ้าเราตั้งใจว ด, ดีอย่างนั้นมันก็เหมือนกันกับน้ำไปชำระสะสางจิตใจของเราทีปรุงปรุงไปไปนอกหรือเสามองขุนหัวต่างๆให้เกิดความสว่างสวยของใสเยือกเย็นพวกเราส่วนใหญ่โลกเขาสมมติให้ ว่าเป็นนักปฏิบัติเป็นกรรมฐานการมาบวชเป็นกรรมฐานผิดการผิดกับการบวชในวัดบ้านธรรมดาพออยู่ป่าตาหูห่างไกลจากสัญญาอารมณ์ไม่ค่อยได้ดูไม่ค่อยได้ฟังสิ่งที่อยู่อายุจิตใจให้คุ้มครองไปในทางโลก แต่นั้นเมื่อเขาสมมติให้เราว่าเราเป็นนักปฏิบัติเราเป็นพระกรรมฐ า, านพอจงฝึกอบรมจิตใจของตนให้สมชื่ อ, อยายเสียชื่อที่เขาสมมติให้ตั้งกายตั้งใจพอพฤ่งปฏิบัติตามอัตธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเพราะเรื่องจิตใจของเรานั้นหากไม่ฝึกอบรม ไม่มีสติรักษาไม่มีปัญญาแนะสอนไม่มีวิธีทำหายใจหนึ่งหยุดใจจะปรุงแต่งจิตอ่านอยู่ตลอดเวลาเว้นแต่ระยะที่หลับสนิทเท่านั้นจากนั้นก็จะคิดปรุงตามสัญญารมเลื่อยไปใจที่คิดปรุงมากเท่าไรก็ทำนำทุกมาให้เท่านั้น ไม่ใช่ว่าจิตปรุงมากคิดมากจะได้รับความสุขว่าเป็นทางปัญญาจะแก้ไขกิเลสตัณหามันเป็นไปไม่ได้เพราะจิตไม่มีพื้นฐานของสมาธิคนคิดมากปรุงมากเท่าไรนอนไม่ได้ไม่หลับมีแต่ทุกขเวีคูณขึ้นผลที่สุดจิตฝุ่งปรุงมาก จนสติรักษาไม่ไหวกกลายเป็นคนเสียสติไปจิตมากปรุงมากจึงเป็นทางให้เขื่อมเสียกำลังของจิตตลอดถึงทำให้กายดีบัิพูดไปทำไปในสิ่งที่ไม่เหมาะสมแก่บุคคลนั้นนั้นนั้นทางศาสนาถันจริงสอนถวกสมณะนะ พระเนรให้รักษาจิตให้ฝึกจิตอย่างภาสิทธิทกินวาจิตตังทันตังสุขาวะหังจิตที่ฝึกดีแล้วนาสุขมาให้การฝึกจิตให้ดีนั้นมีความสุขจิตที่ฝึกดีคืออย่างไรจิตที่ฝึกดีนั้นคืออยากจะให้คิดก็คิดได้อยากจะให้สงบก็สงบได้ เหมือน ก, นกันกับรถที่พร้อมโดยคันเร่งและพวงมาลัยเบรกถ้าหากไม่มีเบรกมีแต่คันเร่งถ่ายเดียวรถนั้นจะไม่ปลอดภัยจิตใจของพวกเราท่านกว่าทา น, นองเดียวกันมีแต่คิดปรุงฝุ่งไปตามสัญญาอารมณ์กิเลสตัรหาทีอยู่วายุ ไม่มีการพักผ่อนไม่มีการสงบจิตนั้นจะได้รับอันตรายตัวเองจะเป็นทุกข์คนอื่นเห็นรู้เข้าก็ไม่สบายใจเพราะอากับกิริยาตลอดถึงคำผูดจาของคนฝุงปรุงโดยไม่มีสติรักษาจะต้องมีทางเสียหายทำให้คนอื่นดูได้ เข็นง่ายไม่อยากจะพกค้าสังคมเพราะจิตใจไม่นักแน่นการฝึกจิตจึงเป็นหน้าจีของทุกคนที่ต้องการความสุขจะต้องฝึกต้องปฏิบัติการฝึกจิตให้สงบให้สงัดให้ลงรวมเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงแนะน จิตใจที่จะหยุดนิ่งหายปรุงแต่งสงบลงรวมได้ก็เพราะอาศัยเรามีสติจะเพ่งีินิจพิจารณาสิ่งใดตั้งใจเพ่งีินิจพิจารณาจริงจังไม่ปล่อยใจไหลไปตามอารมณ์ที่ผ่านมาหรือผุดขึ้นมุ่งมั่นกำหนดสิ่งนั้นให้แน่นอนตายตัวหากจิตยังคิด ยังเพ่งอยู่ได้เราจะไม่ยอมเปลี่ยนแปลงแส่สายไปตามสัญญาอารมณ์ที่เกิดขึ้นผ่านมาเป็นอันขาดปกติของสังขารมันจะต้องคิดปรุงตกแต่งอยู่เรื่อยแต่สังขารก็มีทางระ ง, งับดับได้เป็นบางการบางสมัยในฝูฝึกผูอบรมตัวเอง แต่ผู้ไม่เคยฝึกไม่เคยอบรมนั้นก็ไม่สาบ ว, ว่าสังขารมาระงบับด้วยอากัศจิริยาถ่าทีอย่างไรสังขารที่ถ่านเก่าวไว้ตามตำหลับตำลามันก็มีมากหมายถึงกายสังขารสังขารนั้นจีสังขารที่ใหญกว่ากายสังขารหมายถึงลมหายใจเข่าออกว่าจีสังขารหมายถึงตกวิจารของจิตใจ จิตแต่สังขารหมายถึงความรู้ภายในคือเราทราบเองจากความปรุงจิตต่างๆจิตตสังขารสังขารเหล่านี้เมื่อฝึกเมื่ออบรมให้สงบก็สงบได้แต่ก็ไม่สงบเลื่อยไปเพราะสังขารจริงจังไม่ใช่กิเลสสังขาร นั้นเป็นขันอันหนึ่งซึ่งมีอยู่เพระผู้ใจเจ้าศัตรู้สังขาร น, นั้นก็ไม่ดักไม่เช่นนั้นท่านก็จะไปแนะสอนสัพพะสัตว์ไม่ได้เพราะไม่มีสังขารทำปรุงแต่งของใจแต่ท่านสงบได้ระงับได้พ้นจากสังขารได้เพราะใจเป็นอันหนึ่งสังขารเป็นอันหนึ่งเจเข้าใจแจ่มชัด ในเรื่องสังขารกับใจไม่มีอะไรที่จะเป็นปัญหาว่าอันนี้ใจหรือสังขาร น, นี่คือการฝึกอบรมของท่านหาใจแจ่มใสชัดเจนด้วยความสงบเป็นเบือ้องต้นฝึกสมาธิคือความสงบของจิตจิตนั้นเมื่อเราเพ่งจริงจังในสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือบริกรรมจริงจังในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเอาจริงเอาจังไม่ยอมร่นละ อย่าบริกรรมกองบริกรรมอยู่อย่างนั้นจิตยังไม่ถึงขั้นส ง, งบจากสัญญาอารมณ์ไม่ปล่อยทําบริกรรมของตนผูกเพ่งผมขนและฟันขอเหมือนกันเพ่งอยู่นั้นยังเพ่งได้อยู่ยังรู้ว่าจิตเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เพ่งอยู่เพ่งเรื่อยไปจนจิตรวมลงสเตนสมาธิคือปล่อยวาง สัญญาอารมณ์ส่วนนี้จะคิดนึกอะไรอีกไม่ได้เพราะจิตเป็นหนึ่งไม่มีสองกับอารมณ์นี่คือจิตรวมสนิทจิตถึงสมาธิทีแ น, แน่วแน่เมื่อจิตถึงสมาธิทีแ น, แน่วแน่อย่างนั้นความสุขความสบายจะเกิดขึ้นจาก ความสงบถึงทันว่าวิตกวิจารปีติสุขเอกัคขตาเป็นองค์ของสาลก่อตามละไปเป็นขันขันถอดทอดอย่างปฐมสารมีครบองค์ห้านุติยาสารละปีติละวิตกลุติยาสาละวิจารวิตกวิจารยเจตปิติ สุกเ อ, เอกาคาตาจิตันกล่าวเอาไว้ในตำราแต่สุขนั้นมัน ม, มีแต่สุขนั้นไม่ได้เกี่ยวกับความสุขทห่งอามิตรสุขของจิตที่ปล่อยวางสัญญาอารมณ์ต่างหาลูกประพฤติปฏิบัติทราบชัดในตัวเองเพราะความเห็นคำเป็นนี่คือการฝึกจิต จิตที่ฝึกดีอย่างนั้นอบรมดีอย่างนั้นจะเห็นความสุขเด่นประจากในตัวเมื่อจิตมีหลากฐานแก่นสารของความสงบคือมีสมาธิจะคิดอ่านอารมณ์สัญญาต่างๆที่จิตใจของจิตมันก็มีทางที่จะเกิดปัญญาสามารถที่จะละถอนความจิตขล้อง ยึดถือต่างๆตกไปไม่เหมือนใจที่ไม่มีสมาธิคิดได้อ่านได้จําได้แต่มันเป็นสัญญาไม่สามารถที่จะถอดถอนกิเลสตัณหาให้หายความสงสัยจากใจของตัวดังนั้นจิตที่ไม่มีสมาธิจึงไม่มีกําลังพอที่จะถอดถอนกิเลสตัณหาสมาธิ ยึ่งเป็นเรื่องจำเป็นสิ่งหนึ่งในทางพระพุทธศาสนาที่ทันเรียกว่าไตสิกขาเป็นสิ่งที่จะต้องศึกษาของครูประพฤติปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญาเรียกว่าไตสิกขาศีล น, นั้นมันง่ายมันสบายถ้าเรารู้จักเรื่องของศีลรักษาง่ายทำได้ ไม่ยากเพราะมันมี <c oughs> มีอยู่ในตัวของตัวไม่ได้ไปนคนคว้าสแสวงหาจากที่อื่นอย่างาเรานั่งฟังทำหรือนั่งภาวนาศีนของเรามันก็บริสุทธิ์เพราะกายไม่ได้ไปทําอะไรซึงเป็นไปเสือกความชั่วความเสียผิดจากศีลวาจากไม่ได้พูดอะไรนิ่งเฉยได้สื่อว่า ศีลของเราบริสุทธิ์อยู่ด้วยเจตนาที่เราจะรักษาแต่ถ้าหากไม่มีเจตนาที่จะรักษาก็เป็นศีลไม่ได้ถึงจะนัง่งภาวานาหลับหูหลับตาไม่ทำอะไรไม่พูดอะไรเมื่อมีสิ่งที่เป็นข่าสึกต่อศีลมารบกวนเส่นยุงมา ก, กัดเราก็ตกกาตีมันไปเสีย อย่างนี้ได้เชื่อเราไม่มีเจตนาถ้าเราไหลธรรมดามเป็นอีกอย่างถ้าเราไปตบไปตีให้มันเสียชีวิตของมันไปก็ขาดจากศีลศีลจึงเป็นของรักษาง่ายเพราะมีอยู่ในกายในวาจาของตนจิตเป็นผู้ดูแลรักษาว่าอันนี้ถ้าทำไปจะผิดจากศีลหรือไม่เข้าใจอยู่ในตัวเจตนาที่จะเว้น สิ่งที่เ่วดีเสียดี่พระพุทธเจ้าห้าพยายามทามําตามสิ่งดี่พระพุทธเจ้าทรงแนะอนอนุญาตได้ชื่อว่าศีนรักษาง่ายทําง่ายทุกคนรักษาได้ไม่ใช่ของยากของลําบากเมื่อมีศีนของตนบริสุทธิ์ไม่ได้คิด เกี่ยวข้องทำผูดในทางฉวเสียแล้วเพ่งพินิจพิจารณาบริกรรมสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้จิตเป็นสมาธิคือก ค, ความลงรวมข้องใจสมาธินั้นสิ่งที่เป็นขาศึกสำคัญในทางพระพุทธศาสนาที่จะจะทำจิตของตนให้ลงรวมเป็นสมาธิ ท่านก็กล่าวว่านิวรเป็นสิ่งที่กั้นกลางจิตใจไม่ให้ลงรวมเป็นสมาธิได้นิวร น, นั้นท่านที่เคยศึกษาํำหรับตำลานักธรรมมากดีท่านที่เคยอ่านนวโกวาซึ่งเป็นหนังสือทางพระพุทธศาสนาก็ดีก็จะทราบได้ ว่านิวรคืออะไรกรรมฉันทะความรักให้ชอบใจเผิดเพลินยินดีคิดปรุงในเรื่องของกามคิดไปในด้านสวยด้านงามอย่างนั้นอย่างนี้ทำลาทะตัณหาให้เกิดขึ้นเมื่อจิตชิดปรุงในส่วนนี้อยู่บ่อย โดยไม่สงบไม่ระงับก็เป็นข่าศึกแก่จิตจิตใจเป็นสมาธิจิตจะไม่นักแน่จิตจะไม่รวรวมจากนั้นก็ขอ้อจีสองพยาบา ท, ทามจิตอาฆาตจองเวรแก่สัตว์แก่กแกบุคคลทําจิตทําใจของตนเดือดร้อนปุ่งปรุงไม่เผา ไม่มีวันเวลาที่จะหยยกเย็นสงบระ ง, งับนี่ก็เป็นข่าศึกของจิตใจไม่ให้เป็นสมาธิได้อันหนึ่งสิ่งเหล่านี้ก็มีอยู่ภายในคือมีอยู่ในใจของทุกท่านก่อนเราจะนั่งสมาธิภาวนาทำจิตใจให้รวมรวมได้เราจะต้องชำระความรัก ของเราความพยาบาทของเราอย่าไปคิดอารมณ์อดีตอนาคตให้กำหนดอยู่เป็นเรื่องปัจจุบันจิตไม่เด็กไปเกี่ยวข้องในการมฉันทะพยาบาทเมื่อมากำหนดอยู่ในปัจจุบันก็มีอันหนึ่งซึ่งเป็นข่าศึกสำคัญขึ้นอีกก็คือทินานมิทะ เมื่อไม่ให้จิตคิดปรุงส่วนนั้นมักอยากจะมีความหงงเหงาห่าวนอนทับถมผูท้ที่ไม่มีปีติคือความอิ่มใจในการกระทำของตนจิตเมื่อมันมีความหงงเหงาอย่างนั้นยิ่งอยากจะให้จิตของตนสงบระงับมันก็เลยเหมือนกล่อมให้หลับผิดไปอีก รวมรวมไม่ได้รวมกรลงพะวังหลวงคือหลับไปเพราะขาดสติขาดปัญญารักษาใจเราจะต้องมีความปีติกล่้มใจว่าการกระทำอย่างนี้เป็นทางดีที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนคนจำนวนร้อยจำนวนพันจำนวนหมื่นที่จะมีโอกาสเวลาจะทำภาวนาเหมือนเราหายยาก เขาเหล่านั้นมีการงานด้านอื่นมีการคิดปรุงด้านอื่นมีการพูดการทาด้านอื่นเป็นส่วนใหญ่ลหลงไหลไปตามเรื่องของโลกไม่ได้อบรมบ่มใจเหมือนเราเรานี่เป็นผู้ที่โชคดีโอกาสดีจึงควรปิติอิ่มใจในการกรรทาของเราเราทำเช่นนี้จะเป็นทางดีแก่ตัวของเราจิตของเรา จะได้เข้าถึงถึงความสงบสุขถึงทำคําสอนของมูะพุทเจ้าจะไปจับดูเห็นเด่นขึ้นจากการกระทําเช่นนี้เมื่อเราสอนใจของเราอย่างนี้ไม่ให้ใจเกิดความง่วงเหงาหานอนทับถมให้ใจปีติในการกระทาของตัวใจนั้นจะไม่ตกลงไปสู่ความ ง่วงเหงาสูถินนมิท h ะเมื่อจิตของเราใจของเราไม่เกี่ยวข้องในราคาตัณหาในการพยาบาทในการห่วงเหงาห้านอนอย่างนั้นก็มีอันหนึ่งซึ่งเป็นข่าศึกของสมาธิอีกคือความฟุ้งสร้างลำคาญจิตฟุ้งสร้างไปหาอารมณ์ต่างๆ ไม่ส ง, งบลังับเกิดความลำคาญในการนั่งการฟังการทำของตัวนี่ก็เป็นข่าศึกอันหนึ่งซึ่งทำให้จิตดิ่งลงสู่สมาธิไม่ได้เพราะไม่มีอุบายปัญญาสอนตัวอุบายปัญญาสอนตัวนั้นก็ให้พื้นก็ให้ตั้งมัน่น ในคำบริกรรมหรือการกำหนดจะฟุ่งปรุงไปเรื่องอื่นเราเคยฟุ่งปรุงมาเป็นระยะยาวนานจิตไม่เคยได้รับความสุขความสงบอย่างไรถ้าเราปล่อยไปในคราวนี้วันนี้มันก็จะเป็นเหมือนเดิมไม่มีอะไรดีขึ้นนี่จะจะชั่วจะเสียเรื่อยไปเราไม่ควรคิดควรปรุง ควรลาคาญในการทำความดีมีสติมีปัญญาสอนตัวไม่ให้จิตหลงผิดติดตามอารมณ์ฝุ่งตางจิตอ่านไปนอกเมื่อเป็นอย่างนั้นจิตยังไม่สงบไม่ลงรวมไม่ได้รับความสุขความสบายก็มีอันหนึ่งซึงเป็นข่าศึกขึ้นอีกว่าเราทำมานานขนาดนี้ อุตสาห์ตั้งใจทำความดีทำไมความดีสมาธิจึงไม่เกิดขึ้นแก่เราเกิดสงสัยภายในใจว่าตัวเองอาจจะไม่มีวาสนาะคิดไปต่างๆนานาเรียกว่าวิจิิจฉาทำจิตทำใจไม่รวมรวมอีกเมื่อเรากำจัดในเรื่องเหล่านี้ด้วยปัญญาของเรา เราก็มีรูปหลางกลางตัวเหมือนพระพุทธเจ้ากิเลสตัญหามา้าทิฐิอันเดียวกันไม่มีอะไรบกพร่องพอที่จะกล่าวตูดูหมิ่นตัวเองว่าไม่มีวาสนาเป็นคนอาพับความจริงทุกสิ่งทุกอย่างเพราะมูลบริบูรณ์แล้วที่เรายังไม่เห็นไม่เป็นไม่รู้เพราะเราทำยังไม่ถึงจุดที่ควรเป็นควรเห็นควนรรู้เราจะต้องตั้งหน้าบริกรรม หนักเข้าแห่งสิ่งที่เราแข่งหนักเข้าจิตใจของเราขาดจากสิ่งทั้งห้าคือนิวรณ์จะรวมลงเป็นสมาธินี่คืออุบายที่จะทําจิตอุบายที่จะสอนจิตฝึกจิตของตนเมื่อเป็นสมาธิจะเป็นคณิกะอุปจาระหรืออัปปนากว่าตามเราเองทราบได้เพราะเหตุใด ข้อก่อนที่เรายังไม่ฝึกไม่สอนไม่อบรมไม่กระทจิตของเราเคยได้รับสัมผัสอย่างนี้ไหมถึงระยะนิดหน่อยก็ตามก็ได้รับความสุขความสบายจิตแปลกแตกต่างจิตธรรมดาจี่เคยเป็นมาแต่เก่าก่อนนี่คือความเป็นของสมาธิในใจ แต่ถ้าระยะสั้นเราก็พอทราบได้ว่าจิตแปลกได้รับความสุขความสบายถาระยะยาวไปหน่อยเราก็ทราบดีว่า น, นี่คือสมาธิคือความสงบของจิตแต่ เ, เราจะไปขาดคิดว่าอันนี้มันคณานิการื อ, อปนาหรืออุปจาระอะไรมันไม่ต้องไปหมายไปให้ชื่อของมันจะรู้จะเข้าใจ จากตัวของเราท่านผูกฝึกผูกปฏิบัติฉะนั้นการฝึกจิตปฏิบัติจิตพระพุทธเจ้าทรงสอนพวกโยคาวาจรคือนักปฏิบัติให้หาสถานที่จึงบัญญัติวัดเอาไว้ห่างไกลจากหมู่บ้านอย่างน้อยยี่สิบห้าเนขึ้นไปเป็นเสนาสนา ป, ป่าเป็นสถานที่ อบรมภาวนาศึกษาจิตใจของตัวเองเพราะสถานที่ห่างไกลจากหมู่บ้านขนาดนั้นท่านถือว่าสงบสงัดพอที่จะประพฤติปฏิบัติสะดวกสบายพระพุทธเจ้าเองทรงบัญญัติอย่างนั้นพวกเราท่านที่มาบวดเป็นพระเป็นเนนหรือผู้ที่มาฝึกอบรมจิตใจระยะนี้เวลานี้ สถานที่ก็ห่างไกลเสียงอะไรภายนอกที่จะมารบกวนประสาทหูก็ไม่มีตาเราหลับลงไปแล้วก็ไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นไม่มีอะไรที่จะมายั่วายุที่จะทำให้จิตของเราเพิดเพลินหรือหลงไหลพอเราหลับตาเอาไว้นอกจากอารมณ์ของใจ ที่เคยเห็นเคยเป็นมาก่อนมาอยู่อายุอารมณ์อดีตบ้างอนาคตบ้างถึงทใใําใจเหวี่แหวกวันไหวติดตามสัญญาอารมณ์อย่างนั้นอย่างนี้ถ้าเราตั้งสติมั่นว่าจะไม่ตามสัญญาอารมณ์อะไรทั้งหมดที่เกิดขึ้นหรือผ่านมาจะต้องตั้งหน้าบําเพ็ญกําหนดจิต ในคำบริกรรมคำนี้หรือลมหายใจอันนี้หรือแพ่งอันนี้ให้รู้เห็นให้จิตเป็นสมาธิให้ได้จะมายั่วยุหลอกลวงขนาดไหนเราจะไม่เชื่อสังขารมารกิเลสของตัวคิดสอนตัวด้วยตัวเองอย่างนั้นให้ทันกับสัญญาอารมณ์ของกิเลสสมาร ภายในใจมันก็มีทางที่จะสงบรวมได้ถึงความสุขความสบายอย่างไม่ต้องสงสัยนี่คือการฝึกอบรมใจไม่ใช่ว่าเรามาอยู่ป่าจิตใจของเราก่าจะสิ้นจิเลตตันหาจิตใจของเราก่าจะถึงสึ่งมรรคผลขึ้นเอง เป็นไปไม่ได้ถ้าหากเราไม่ตามรักษาไม่ขาดเพียรภาวานาไม่กระทาจริงจังแล้วจะอยู่ป่าอยู่บ้านมันก็เหมือนกันทั้งที่เราอยู่คนเดียวในกติในถ้ำในป่าแต่ใจของเราที่ไม่ได้รักษาใจของเราที่ไม่ได้ภาวานาใจของเราที่ขาดสติขาดอาัตธรรมก็คิดปรุงฝุ่งไป น้าพักพวกเพืือนฟูงเที่ยวจร อ, อยู่ตามอารมณ์สัญญาที่เคยเห็นเคยได้ฟังมาสัมผัสมาต่างๆนี่คือเรื่องจิตใจมันไปได้ไม่ต้องหาปืนหาไฟหาพักหาพวกหาภาชนะอ่หายานภาหนะอะไรมันไปง่ายจิตเร็วที่สุดหาขาดสติแล้ว มันไหลไปได้การสัญญาอารมณ์ทั้งเก่าทั้งใหม่และจิตก็ไม่ฉลาดโง่เพราะขาดอารรัดทำสิ่งที่เป็นจริงอย่างไรจิตไม่ทราบได้เพราะขาดปัญญาขาดหลักธรรมะจิตจึงชอบจิตปรุงถึงทุกข์ยากลําบากก็ไม่เค็ยดหลักเบื่อนายชั่วละยะแต่ก็เกิดความ พอใจยินดีขึ้นอีกนี่คือจิตยังไม่มีหลักอัตธรรม <c oughs> ที่แน่นอนเป็นอย่างนั้นฉะนั้นการมาฝึกอบรมจิตใจในป่าที่ตาไม่เห็นหูไม่ได้ฟังที่เงียบส ง, งบทุกสิ่งทุกอย่างพึงระวังใจของตัวเองสอนให้มันส ง, งบอย่าให้มันคิดอย่าให้มันปรุงในเรื่องนอก เรามานี้มาภาวนามาศึกษาอัดธรรมมากำหนด จ, จิตใจให้สงบรางับไม่ใช่มาเล่นมาเพลินมาเสียเงินเสียทองมาเที่ยวพัฒนาจรเราไม่ได้มาอย่างนั้นเรามาด้วยศรัทธามุ่งหวังตั้งหน้าจาปะปฏิบัติจะเป็นเตศของคะลือหัดหรือบรรพชิต ก็มุ่งมั่นอย่างนั้นจึงเดินมาสู่จุดอันนี้เมื่อมาถึงแล้วจิตใจของเราควรแล้วหรื อ, ท, อที่จะปล่อยให้ฟุ่งปรุงไปตามสัญญาอาดีตหรืออนาคตเราจะต้องฝึกกำหนดให้อยู่ให้สงบด้วยอุบายปัญญาวิธีต่างๆเมื่อจิต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 สอบทำ b à